ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพอพรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตตกถาราสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมะขโมแปลเรื่องที่สิบแปดกาลิกะวินิชยะกะถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องกาลิกต่อ ส่วนในยามากาลิมีวินิฉัยดังต่อไปนี้ปานะแปดอย่างนี้คืออัมพะปานะน้ำมะม่วงหนึ่งชัมผูปานะน้ำลูกว่าหนึ่งโจจะปานะน้ำกล้วยมีเมล็ดหนึ่งโมจะปานะน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดหนึ่งมาทุกะปานะน้ำผลมะซางหนึ่งมุดิกะปานะ น้ำผลจันทร์หนึ่งสาลูกะปานะน้ำเง่าบัวหนึ่งผารุสกะปานะน้ำผลมะปรางหนึ่งชื่อว่าปานะแปดชนิดได้ว่าอัฐปานะบรรดาน้ำปานะแปดอย่างนั้นอัมผ้าปานะนั้นได้แก่น้ำปานะที่ทําจากผลมะม่วงดิบหรือสุกในมะม่วงดิบและมะม่วงสุกสองอย่างนั้นเมื่อจะทําด้วยมะม่วงดิบ พึงทุบมะม่วงอ่อนแช่น้ำพึงแดดให้สุกด้วยแสงอาทิตย์แล้วกรองปรุงด้วยน้ำพึ่งน้ำตาลกรวดและการระบูนเป็นต้นที่รับประเคนในวันนั้นอัมพะปานะที่พิสุทาอย่างนี้ย่อมควรในปุเรพัสเท่านั้นก่อนฉันหมายถึงก่อนเที่ยงส่วนอัมพะปานะที่พวกอนุสัมันธรร์ทำซึ่งพิสุได้มารับประเคณในปุเรพัต ย่อมควรแม้โดยการบริโภคกับอามิต h ในเวลาปัจฉาพัฒย่อมควรโดยบริโภคปราจากอามิต h จนถึงเวลาอารุณขึ้นคือได้วันกับคืนหนึ่งถึงปัจฉิมยามในน้ำปะนะทุกชนิดก็ในนี้คือถ้าทําเองฉันได้ถึงเที่ยงวันในปุเริ์พัฒเท่านั้นเจอกับอามิต h ก็ได้แต่ถ้าให้อนุสัมบันญช ร, รม ตอนฉันเนี่ยในปุเรพัฒเจืออามิต h ได้แต่ว่าหลังพัฒไม่เจืออามิต h เลยฉันได้ถึงอรุณขึ้นนะฉันผู้ปานะนั้นได้แก่น้ําปานะที่ทําด้วยผลว่าโจจ่าปานะก็ได้แก่น้ําปานะที่ทําด้วยผลกล้วยมีเมล็ดโมัจ่าปานะนั้นก็ได้แก่น้ําปานะที่ทําด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ดมาทูกปะปานะ ก็ได้แก่น้าปะนะที่ทําด้วยรสชาติแห่งผลมะซางและมตทุกะปะนะนั้นเชื่อน้ําจึงควรล้วนๆไม่ควรมตทุกะาเนี่มายถึงรสที่ทําด้วยผลมะซางมุตดิกะปะนะนั้นได้แก่น้ําปะนะที่เขาคั้นผลจันทร์ในน้ําทําเหมือนอัมพะปะนะสาลูกะปะนะนั้นได้แก่น้ําปะนะที่เขาคั้นเงาอุบลแดง และอุบลเขียวเป็นต้นธรรมภารูกศกดิปานะนั้นได้แก่นับปานะที่ทำด้วยผลมะปรางอย่างอัมภาปานะก็คือถ้าเป็นผลดิบก็ไปทุบแช่น้ำให้สุกด้วยแดดท่านผลสุกก็เอาไปขยำแล้วก็กรองใส่พวกน้ำตาลกรวดกระบูดน้ำผึ้งต่างๆอัฐปานะเหล่านี้เย็นก็ดีสุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ดีย่อมควรสุกด้วยไฟไม่ควร ท่านก็แสดงว่าไม่ควรแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้ปรับอบัตเอาไว้แต่ว่าควรที่จะเชื่อท่านก็คือให้สุกด้วยแสอาทิตย์หรือว่าด้วยน้ําเย็นแต่ว่าจะไปต้มนั้นไม่ควรในบางมาติท่านก็บอกว่าถ้าไปต้มแล้วมันจะเป็นอาหารมันจะค้นแล้วก็ทําให้วิตามินต่างๆสารอาหารที่เหมาะควรเนีย่ยมันเสียไปเช่นวิตามินซีแต่ว่าในที่นี้ก็ไม่ได้ปรับอ ბ ัตไว้หรอก น้ำปะนะแห่งผลไม้เล็กๆมีหวายมะขามมะงัูมวมะขีดสคราะอและเล็บเหี่ยวเป็นต้นมีคติอย่างอัตถปานะนั่นแหลน้ำปะนะแห่งผลไม้เหล่านั้นไม่ได้กล่าวไว้ในบาลีก็จริงถึงอย่างนั้นย่อมเข้ากับสิ่งที่เป็นกัปปิยะเพราะฉะนั้นจึงสมควรอันนี้ก็เทียบกับมหาประเทศเข้ากันได้กับสิ่งที่เป็นกัปปิยะเพราเช่นั้นก็ใช้ได้ ชื่อว่าผลปานะน้ำปานะที่ทาจากผลไม้ผลปานะอื่นเว้นรสแห่งผลธัญชาติกับสิ่งที่อนุโลมที่ชื่อว่าไม่ควรไม่มีก็คือรสของพวกธัญชาติพวกข้าเปลือกพวกข้าวสาลีต่างๆผลไม้ทั้งหมดจัดเป็นยามะกาลิศยามะกาลิศคือต้องเป็นน้ำผลไม้สิ่งจัดว่าเป็นยามะกาลิก เพราะมีพระบาลีกล่าวไว้ว่าดูก่อนพิกจุทั้งหลายเราอนุญาตรถแห่งผลไม้ทั้งปวงเว้นรถแห่งผลธัญชาติในเรื่องนี้ยาวการลิศที่เป็นรถแห่งธัญชาติเจ็ดชนิดและแห่งมหาผลเก้าชนิดคือผลตาลหนึ่งผลมะพร้าวสองผลขนุนสามผลขนุนสมรอสี่ผลน้ำเต้าห้าผลฟักเขียวหกผลแตงไทยเจ็ด ผลแตงโมแปดผลฟักทองเก้าอันนี้เรียกว่ามหาผลและแห่งปุกพันชาตและอัปรรณาติที่อนุโลมเข้ากับเข้าเปลือกทั้งหมดชื่อว่าเป็นรถแห่งผลธัญชาติกับสิ่งที่อนุโลมเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรในปัจฉาพัฒหมายถึงว่าหลังเที่ยงไปแล้วนี่นะ่าฉันพวกนี้ไม่ได้ก็คือพวกปุปพันชาตอัปรรณาติ ี่เอาไปทำเป็นน้ำก็ตามน้ำพวกมหาผลเหล่านี้เอามหาผลเหล่านี้ไปทำเป็นน้ำปะนะฉันหลังเที่ยงไม่ได้ไม่ควรรสแม้แห่งใบที่เป็นยาวากาลิสที่เป็นอาหารที่ทำการคั้นกับน้ำเย็นหรือสุกด้วยแสงพระอาทิตย์เว้นรถของผักสุกย่อมควรก็เป็นใบไม้ชนิดต่างๆเนี่ยก็มาคั้น กับน้ำเย็นสุกได้ใจอาทิตย์ก็ใช้ได้เว้นรสของผักผักสุกคือน้ำของผักสุกไม่ควรเพราะมีพระบาลีตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเราอนุญาตรสแห่งใบไม้ทั้งปวงเว้นรสของผักสุกก็คือน้ำต้มผักเป็นอาหารไปรสแห่งดอกไม้แม้ทั้งปวงเว้นรสแห่งดอกมะซางย่อมควรเพราะมีพระบาลีตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุททั้งหลาย เราอนุญาตรดแห่งดอกไม้ทั้งปวงเว้นรดแห่งดอกมะซางดอกมะซางนี้ก็ไม่อนุญาตให้อมามาทําเป็นปานะแต่ว่าถ้าเป็นผลมะซางมะทุ ก, กะปานะเอามาทําเป็นปานะได้แต่ว่าต้องเจือน้ํารดจะเป็นรดที่เข้มข้นมากก็ต้องมาเจือน้ําแต่ปกติแล้วทําน้ําปานะก็ต้องเจือน้ําอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างเช่นน้าส้มน้าส้มก็คันแล้วก็ ชันได้เลยกลองให้สะอาดก็ฉันได้เลยตกลงก้็ลดเห็นคนมาร้างนี่อนุญาตให้ทหําน้ําปนะได้ดอกมาร้างก็ไม่อนุญาตเภสัชห้าเหล่านี้คือเนยไสเนยข้นน้ํามันน้ําเพิ่มน้ําอ้อยชื่อว่าส ah ัตตาหะการิปบรรดาสัตตหะการิปนั้นที่ชื่อว่าเนยใสได้แก่เ น, ในยใสที่ทําจากน้ํานมโคบ้างนมแพะบ้างน้ํานมกระบือก็คือควายบ้าง มังสวรของสัตว์เหล่าใดเป็นของควรเนยใสที่ทําจากน้ํานมของสัตว์เหล่านั้นก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนยใสที่ทําจากสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอักับิยะนั้นก็ไม่ควรที่ชื่อว่าเนยข้นได้แก่เนยข้นที่ทํามาจากน้ํานมสัตว์เหล่านั้นแลที่ชื่อว่าน้ํามันได้แก่น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดงาบ้างจากเมล็ดพันธุ์กาดบ้างจากเมล็ดมะสาง จากเมล็ดระหุงและจากเปลวสัตว์ที่ชื่อว่าน้ํำผึ้งได้แก่รสหวานที่เมล็ดพึ่งทําที่ชื่อว่าน้ําอ้อยได้แก่รสหวานที่เกิดจากอ้อยส่วนยาวะชีวิตพึงทราบตามในที่กล่าวไว้แล้วในมูลขาดานิยะเป็นต้นในยาวะการิกนั่นแหลก็ได้พูดไปแล้วเรื่องของยานะยาวะชีวิตก็คือยาจะรับเขีนแล้วฉันได้ตลอดชีวิตเลยเมื่อมีเหตุ บรรดาการลิกเหล่านั้นเพิกสุเก็บยาวาการลิกก็คืออาหารที่รับประเคินในเวลารุ่งอารุณ์ไว้ฉันได้ตั้งร้อยครั้งตราบเท่าที่การเวลายังไม่ล่วงไปก็ควรคือไม่ผิดไม่เป็นอบัติก่อนเที่ยงเนี่ยนะจะเก็บไว้ฉันร้อยครั้งก็ไม่เป็นอบัติแต่ว่าความเป็นจริงก็คือถ้าฉันอย่างนี้ก็คงจะไม่พ้นจากการมากๆ แต่เป็นไปได้คือไปวิสุทธิ์ที่มักเดิมักอ้วกหรือว่ากระเพาะเล็กหรือว่าป่วยก็ต้องฉันบ่อยๆก็เลยไม่ห้ามว่าจะต้องฉันครั้งเดียวแต่ว่าก่อนจะเลยเที่ยงไปเนี่ยนะก็ฉันอีกครั้งก็ได้ก็พิจารณาตามความเหมาะสมควรฉันยามากาเล็กได้ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพวกน้ําปณะนะ้นาผลไม้เหล่านี้ก็มีอายุวันกับคืนหนึ่งฉันได้ ส่วนสัตตหาการิสก็ได้เจ็ดวันเจ็ดคืนยาวชีวิตนอกนี้ได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุที่สุรับยาวาการิส ก, ก็คืออาหารหรือยามาการิสอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือน้ำผลไม้ที่รับประเคียนแล้วให้ล่วงเลยคืนหนึ่งไปเพื่อประสงค์จะกลืนกินเป็นอบัตทุกกฏก็คือรับประเคียนเอาไว้เพื่อจะไว้ฉันในวันรุ่งขึ้น เป็นอบัตทุกกฎพวกอาหารด้วยแล้วก็พวกยามาการิกก็คือน้ำผลไม้ด้วยรับประเค้นวันนี้เว้จะฉันพรุ่งนี้เป็นอบัตทุกกฎในเพราะรับประเคนก่อนแต่เมื่อกลืนกินเป็นอาบัตปาจิตตีเพราะสันนิธิก็คือการสั่งสมเป็นปัจจัยทุกๆคำกลืนเลยนะทุกๆคำหนึ่งคำหนึ่งเป็นอบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืนถ้าแม้ว่าบาดล้างไม่สะอาด ซึ่งเมื่อลูบด้วยนิ้วมือรอยปรากฏก็คือมีรอยน้ํามันเศษอาหารต่างๆเมื่อซึมเข้าไปในระหว่างหมุดแห่งบาศ ท, ที่มีหมุดเมื่อกนั้นเมื่ออังที่ความร้อนให้ร้อนย่อมซึมออกหรือว่าเมื่อรับข้าวยาคูร้อนจะปรากฏเป็นปากิตตีแก่ภิกษุผู้ฉันแม้ในบาเช่นนั้นในวันรุ่งขึ้นก็คือเป็นการสังสมอาหารนั่นเองสันนิธิ เพราะฉะนั้นจึงต้องล้างบาดให้สะอาดสมัยก่อนนี้ไม่มีพวกเครื่องล้างบาดพวกแฝบพวกอะไรต่างๆหล่ะนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพวกมันพวกอะไรต่างๆมกครั้งอยู่ได้แต่สมัยนี้สะอาดมากเลยมีเครื่องล้างผงอะไรต่างๆน้ํายาล้างจานมากมายก็ทําให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งเพราะฉะนั้นทิกตุกพึงล้างบาดแล้วเทน้ําใส่ลงในบาดนั้นหรือลูบด้วยนิ้วมือ จึงจะรู้ได้ว่าไม่มีเมือกก็คือถ้าเทน้ําลงไปเนี่ยถ้ามีมันมีเมือกมันก็จะลอยน้ําแต่ว่าปัจจุบันนี้ว่าล้างสะอาดอย่างที่กล่าวแล้วว่ามีน้ํายาล้างจานเพราะฉะนั้นก็ไม่ทกกจกถ้าแม้ว่ามีเมือกบนน้ําก็ดีรอยนิ้วมือปรากฏในบาทก็ดีบาทย่อมเป็นอันล้างไม่สะอาดแต่ในบาทมีสีน้ํามันรอยนิ้วมือย่อมปรากฏรอยนิ้วมือนานเป็นอัปโฮาริก พิสูจนทั้งหลายไม่เสียดายสละโภชนะใดให้แก่สำมเนินถ้าสำมเนินเก็บโพชนะนั้นไว้ถวายแก่พิสุควรทุกอย่างไม่เป็นไรนะพอพิสุมีจิตบริสุทธิ์ให้สามเนินแล้วสำมเนินเอามา ถ, ถวายในวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีอับัติส่วนอภัวหารทธิ์นั้นก็หมายถึงว่าถึงการกล่าวไม่ได้ก็คือไม่เป็นอบับดัต น, นเอง แต่ที่ตนเองรับประเคตแล้วไม่สละเสียก่อนย่อมไม่ควรในวันรุ่งขึ้นก็คือที่รับประเคนมาแล้วแล้วไม่สละนะวันรุ่งขึ้นนี่จะให้ก็มาถวายอีกก็ไม่ควรจริงอยู่เมื่อพิสุกืนกินข้าวสุกแม้มารล็ดเดียวจากโภชนะที่ไม่สละนั้นเป็นปาจิตติเหมือนกันก็คือเป็นการสั่งสมอาหารนั่นเอง บรรดาเนื้อที่เป็นอกกัปยะเนื้อที่ไม่ควรในเนื้อมนุษย์เป็นปาจิตติกับทุนละใจนี่หมายถึงว่าทําการสั่งสมเอาไว้ปาจิตตีเพราะทำการสั่งสมเป็นทุนละใจเพราะว่าฉันอกกัปยะมังสะในเนื้อที่เหลือเป็นปาจิตติกับทุกกฎปาจิตติเพราะมีการสั่งสมอาหารไว้ทุกกฎเพราะฉันอกกัปยะมังสะเหมือนกันเมื่อกลืนกินยามาคาลิก ยามาการิกก็หมายถึงน้ําอัดถ่าปานะน้ำผลไม้ในเมื่อมีเหตุเหตุคืออะไรล่ะก็คือเพื่อดับความกระหายเป็นต้นหมายถึงว่ากลืนกินยามาการิกดับความกระหายนั้นเป็นปจัจจตีด้วยนะเพราะว่าเป็นยามากาลิกที่เก็บสั่งสมเอาไว้ครั้งคืนเมื่อกลืนกินเพื่อประโยชน์เป็นอาหารเป็นปฏิจจทีกับทุกข์กดถ้าทิกสุเป็นผู้ห้ามพัด กรกินโภชนะที่ไม่ได้ทําให้เป็นเดนในอามิตรตามปกติก็เป็นปัจจิตีสองตัวในเนื้อมนุษย์เป็นปัจจิตีสองตัวกับถุนลัใจที่หมายถึงเป็นอาหารที่ค้างคืนในอากับิยะมังสาที่เหลือเป็นปัจจิตีสองตัวกับทุกกฎก็คือเป็นปัจจิตีในเพราะมีการสั่งสมอาหารไว้แล้วก็ ห้ามพัดแล้วกลืนกินโพชนาที่ไม่ทำให้เป็นเดน้งก็ปฏิติตัวหนึ่งฉันกับย่ามังสาระทุกกฎตัวหนึ่งเมื่อกลืนกินยาเมตาลิศทางปากที่มีอามิสเมื่อมีเหตุเป็นปาจิตตีสองตัวทางปากไม่มีอามิสเป็นปฏิติตัวเดียวก็คือน้ำปน า, นานัาา้นตมาฉันร่วงกับขณะที่มีอมิสในปากก็เป็นการทาการสังสม ถึงกินยามากกะลิศทางปากที่มีอมิตรยามากกะลิกนั้นก็เก็บสังสมไว้แล้วนะก็เป็นอบัติปจิตีผสมกับอมิตรด้วยก็ปฏิตีตัวหนึ่งเมื่อกลืนกินเพื่อประโยชน์เป็นอาหารทุกกฎเพิ่มขึ้นแม้ในวิกาทั้งสองคือเพิ่มอบัติทุกกฎหนึ่งตัวถ้าพิสูจกลืนกินในเวลาวิการในโภชนะตามปกติเป็นปฏิตีสองตัวเพราะสันนิษที่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วก็ในวิกาดโภชนาน ฉันในวิการเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งในอากาศพิยะมังสะก็คือเนื้อที่ไม่สมควรทุลใจนะทุกกฎก็เพิ่มขึ้นก็คือถ้าฉันเนื้อมนุษย์ก็เป็นตุลใจฉันเนื้ออื่นที่เป็นอากาศพิยะนอกจากเนื้อมนุษย์ก็เป็นปัตทุกกฎในพวกยามะกาลิศไม่เป็นอาบัตเพราะฉันในวิการเป็นปัจจัยแต่ไม่เป็นอาบัต ในวิกัปทุกอย่างในเวลาวิกาลพระชันอาหารไม่เป็นเดนเป็นปัจจัยก็คือน้ำปนนี้ฉันในเวลาวิการได้แต่ถ้าพวกอาหารที่ไม่เป็นเดนนั้นก็ต้องในการไม่ใช่วิการเมื่อพิสูจน ร, รับประเคสัตตอาห า, ารฤทธิ์และยาวะชีวิตก็คือพอดีเก็บไว้ได้เจ็ดวันกับพวกยาเพื่อประโยชน์เป็นอาหารเป็นทุกกฎ เพราะการรับประเค้นเป็นปัจจัยก่อนก็คือไปเอายามาเพื่อสมาฉันให้อินมขณะรับประเค้นบ้าบัตทุกกดหรือว่าพวกสัตตากาลิก็แล้วแต่แต่เมื่อกลื่นกินถ้าเป็นของไม่มีอา m i ต h เป็นทุกกดทุกทุกคํากลืนเลยฉันปัจจัยก็คือพวกยาโดยที่ไม่มีเหตุถ้าสัตตากาลิกยาวะชีวิตกรกควนด้วยอา m i ต h เป็นของที่พิกตุ ร, รับประเค้นเก็จไว้ก็เป็นปฏิติเตตามวัตถุแท้ก็คือ เมื่อมีอามิตรก็เป็นอาหารก็เป็นบัพติตติส่วนในสัตว์อาหารกาลิศแต่มีเนยใสเป็นต้นนี้พึงทราบวิธีใช้ดังต่อไปนี้ในใสที่พิสูจน์รับประเคนก่อนฉันจะฉันเจืออมิตรก็ได้ปราศจากอามิตรก็ได้ถ้าในปุริพัด ก, ก่อนเที่ยงในเวลาก่อนฉันในวันนั้นก็คือในก่อนเที่ยงวันนั้นน่ะจะฉันเจือกับอามิตรหรือว่าไม่เจือกอมิตรก็ได้ ตั้งแต่ปัจฉาพักไปพึงฉันปราศจากอามิตได้ตลอดเจ็ดวันในใส่ที่เราระเคีนมาแล้วฉันในวันนั้นเลยแล้วก็เก็บไว้ได้อีกเจ็ดวันแต่ว่าต้องไม่เจออามิตรถ้าวางไว้บนภาชนะเดียวล่วงเจ็ดวันไปเป็นนิสักคีตัวเดียวถ้าเก็บไว้ในภาชนะมากหลายเป็นนิสักคียะหลายตัวตามจานวนวัตถุ เนยใสที่พิสูจรับประเคณภายหลังฉันก็คือปัจฉาพัฒเลยเที่ยงไปแล้วควรฉันได้ไม่เจออามิตรเลยตลอดเจ็ดวันพิสูจนจะกลืนกินเนยใสที่ตนทําให้เป็นอุคหิตแล้วเก็บไว้ในเวลาก่อนฉันคือในตุเรพัฒหรือว่าหลังฉันปัจฉาภัฒนั้นไม่ควรคืออามากลือนกินไม่ได้เพรว่าไปจับเนยใสที่จะไม่รับประเคณจะมาเกลืนกินเนี่ยไม่ควร วิธีแก้ก็คือให้ประเคนพิสูรรูปอื่นแล้วก็ฉันได้ในที่นี้ก็ไม่ได้แสดงอาบัติ้วยนะแต่ว่าอุกหิตเนี่ยมีอาบัติทุกกฎฉันอาหารที่ไปจับต้องก่อนแล้วก็ให้ประเคนตัวเองเนี่ยนะเป็นอุกกิตฉันก็ไปอาบัติทุกกฎทางแก้ก็คือให้ไปถวายพระวิสูรรูปอื่นก็ามาฉันได้ พึงน้อมไปใช้ในกิจอื่นมีการทาตัวเป็นต้นแม้เพราะล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่มีอับัตก็คือเนอยใสที่ไปจับต้องแล้วเป็นอุกหิตแล้วจะมาฉันเนี่ยไม่ควรแต่ว่าน้อมไปในการทาตัวได้เพราะถึงความเป็นของไม่ควรเกลือนกินถ้าอนุสสมบันธ์ทำเนยใสด้วยเนยข้นที่รับประเพณไว้ในเวลาก่อนฉันคือเวลาปุเรพัฒเนี่ยถวายจะฉันกับอามิตรในเวลาปุเรพัต ได้อยู่ควรอยู่ถ้าพิสูุทําเองไม่เจืออมิตรเลยย่อมควรแม้ตลอดเจ็ดวันถ้าพิสูจน์ทเนยไายเองนี่ฉันเจืออมิตรไม่ได้ต่วเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันแต่เนยไส้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทําด้วยเนยข้นที่รับประเคณ ใ, ในเวลาปัจฉาพัฒควรฉันได้ไม่เจืออมิตรตลอดเจ็ดวันเหมือนกันผู้ศึกษาพึงทราบวิธีใช้ในเนยไส้ที่ทําด้วยเนยข้น ที่เป็นอุกขหิตโดยในแห่งเนยใสล้วนๆการที่กล่าวแล้วก่อนนั่นแลเนยใสทําด้วยนมสดที่พิสูตรรับประเคียนไว้ก่อนฉันก็ดีทําด้วยนมส้มก็ดีที่อนุสัมบันธ์ทำควรฉันได้แม้เจืออมิตรในเวลาก่อนฉันคือในปุเรพัทในวันนั้นที่พิสูตรทาเองควรฉันปราศจากอามิตรอย่างเดียวจริงอยู่เมื่อพิสษุอุ่นเนยข้น ไม่จัดเป็นสามะประกะศเนยขนนี่มันสุกมาแล้วสามะประกาศหมายถึงว่าทําให้สุกเองถ้าไปทําอาหารในสุกอ่ารที่ยังไม่สุกตอนไม่สุกมีต้อบัตุกฏแต่ว่าอุ่นเนี่ยได้แต่จะฉันอามิตรกับหน่วยคนที่เป็นสามะประกะนั้นย่อมไม่ควรคือถ้าเนยคนที่เป็นสามะประกะเนี่ยเอามาฉันกับอามิตคืออาหารนี้ไม่ควรตั้งแต่ ปัจฉาภักไปก็ไม่ควรเหมือนกันไม่เป็นอาบัิแม้ในเพราะล่วงเจ็ดวันไปเพราะว่ารับประเคียนทั้งวัตถกุก็คือไม่ได้เอาไว้ฉันก็ไม่เป็นอาบัิแต่เนยใสยที่ทำด้วยนมสดและนมส้มที่พิสูจน์รับประเคนในเวลาปัจฉาภักควรน้อมไปใช้ในกิจมีการทาตัวเป็นต้นคือฉันไม่ได้นะเนยใสยที่ทำด้วยนมสดนมส้มซึ่งเป็นอุกหิต แม้ในเวลาปุเรพักก็ควรน้อมไปใช้ในกิจมีการทาตัวเป็นต้นคือไม่ต้องมาชันไม่เป็นอาบาดแม้เพราะเนยใสทั้งสองอย่างล่วงเจ็ดวันไปในเนสายของผวกสัตว์ที่มีมังสะเป็นอศัศพิยะก็มีในนี้เหมือนกันแต่มีความแปลกกันดังต่อไปนี้เป็นนิสสกีด้ว ย, นยในสใยที่มาแล้วในพระบาลีใดในพระบารีนั้น เป็นทุกกฎด้วยเนยสายของพวกสัตว์ที่มีมังสะเป็นอากัปิยะนี้ในอัตกถาอันทะกะท่านคัดค้านเนยใสยและเนคข้นของมนุษย์ไว้ทําให้สมควรแก่เหตุในใสายและเนยข้นของมนุษย์นั้นท่านคัดค้านไว้ไม่ชอบเพราะว่าพระอาจารย์ทั้งหลายอนุญาตไว้ในอัตกถาทั้งปวงและแม้การบดิชายเนยายและเนยขน้น ของมนุษย์นั้นจักมาข้างหน้าก็คือในใสในข้นที่ทำมาจากนมของมนุษย์ก็เอามาฉันได้เหมือนกันแม้เนยข้นที่มาแล้วในพรงบาลีที่สู่รับประเคนในเวลาก่อนฉันจะฉันแม้เจือกอมิตรในเวลาก่อนฉันในวันนั้นควรอยู่ตั้งแต่ภายหลังฉันไปก็คือปัจฉพัทไม่เจืออมิตรเลยจึงควร ก็ล่วงเจ็ดวันไปในเนยข้นที่เก็บไว้ในภาชนะต่างๆกันก็เป็นนิสทีตามจํานวนภาชนะในเนยข้นที่เก็บไว้อย่างเป็นก้อนๆไม่กระกันแม้ในภาชนะเดียวก็เป็นนิสทีตามจํานวนก้อนเนยข้นที่ทิสุรับประเคนไว้ในเวลาปัจฉภัทผู้ศึกษาพึงทราบโดยในแห่งเนยใสเหมือนกันส่วนความแปล ก, กันในเนยข้นนี้มีดังนี้ ก้อนนมส้มบ้างหยาดเปลียงบ้างมีอยู่เพราะฉะนั้นพระเถระประมาณครึ่งหนึ่งจึงได้กล่าวว่าที่ฟอกแล้วจับควรส่วนพระมหาสีวเถระกล่าวว่าตั้งแต่เวลาที่พระผู้มีพระอพรเจ้ากรงอนุญาตแล้วเนยข้นพอยกขึ้นจากเปลียงเท่านั้นที่สุดทั้งหลายคบฉันได้ เพรเหตุ น, นั้นที่สุจะฉันเนยข้นพึงชมระคือตัดเอานมส้มเปรีย่ยนแมงวันและมดแดงเป็นต้นออกแล้วก็ฉันเถิดที่สุคใครจะเจียวให้เป็นเนยใสยฉันจะฉันแม้เนยข้นที่ยังไม่ฟอกก็ควรในเนยข้นนั้นสิ่งใดที่เป็นนมส้มก็ดีที่เป็นเปรียงก็ดีสิ่งา น, านั้นจกถึงความหมดสิ้นไปก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่ารับประเกันพร้อมทั้งวัตถุ อธิบายดังกล่ามา น, นี้เป็นอธิบายในคำของพระมหาสีวเถรานี้แต่ที่สุดทั้งหลายผู้มักรังเกียจย่อมรังเกียจแม้ในเนยขนที่เจียวนั้นเพราะว่าเจียวพร้อมทั้งอามิ t h น่ารังเกียจก็ไม่ไปทำแล้วก็ไม่ไปฉันด้วยถ้ารังเกียจแบบนี้ผู้ศึกษาพึงถือเอาในแห่งอาบัตอนาบัตการบริโภคและไม่บริโภค ในเนยข้นที่จับต้องแล้วเก็บไว้เรียกว่าอุคหิตในเนยข้นที่พิสุรับประเคณนมสดและนมส้มก่อนฉันแล้วทาคือในภูเรพัทแล้วเอาไปทาในเนยข้นที่พิสุรับประเคณนมสดนมส้มนั้นในาภายหลังพัทก็คือในปัจฉาพัทแล้วทาในเนยข้นที่ทาด้วยนมสดและนมส้มที่เป็นอุกหิตและในเนยคน ของพวกสัตว์ที่มีมังสะิเป็นอกักขิยะเราเรมีห้าหัวข้อด้วยกันห้าหัวข้อมาพิจารณาเรื่องของอาบัติอนาบัติการที่สามารถบริโภคได้และไม่ควรที่จะบริโภคก็คือหัวข้อที่หนึ่งก็ได้แก่ในขน้ที่จัดต้องแล้วที่เป็นอุปหิตเก็บเอาไว้เนี่ยแล้วก็ในขน้ที่พิสูจนรับเค้นนมสดนมส้มในปุเรยพัดแล้วทำในข้ที่พิสูจนรับปเค้นนมสดนมส้มในปัจฉาภัดแล้วก็ทํา สามัข้อเลยนะข้อที่สี่ก็คือในเนยข้นที่ทําด้วยนมสดนมส้มที่เป็นอุกหิตเพราะว่าหัวข้อที่หนึ่งนั้นเนยข้นที่เป็นอุกหิตแต่ว่าอันที่สี่นี่เนยข้นที่ทําจากนมสดนมส้มที่เป็นอุกหิตแล้วหัวข้อที่ห้าก็คือในเนยคข้นของพวกสัตว์ที่มีมังสวิเป็นอักบิยะทั้งหมดโดยลําดับดังกล่าวแล้วในเนยใสนั่นแลเหมือนก็เนยใส่นะ พวกชา บ, บ้านย่อมเทซึ่งเนยใสบ้างเนยข้นบ้างน้ำมันที่เคี่ยวแล้วบ้างน้ำมันยังไม่ได้เที่ยวบ้างลงในเนยใสนั้นนั่นเองของพิสูจน์ทั้งหลายผู้เข้าไปเพื่อพิษานณ้ำมันยาดเปรียงและนมส้ ม, มเมล็ดข้าวสุกบ้างรําเข้าสารบ้างจําพวกเมล็ดวันเป็นต้นบ้างมีอยู่ในเนยใสนั้นเนยใสนั้นพิสูุทําให้ตก ด, ด้วยแสงแดดแล้วกรองเอาไว้จัดเป็นสัตตาหกาลิศ ก็การที่ภิกษุจกเขี่ยวกับเพตาที่รับประเคนไว้แล้วทำการนัดเข้าทางจมูกควรอยู่ถ้านในสมัยฝนพรำสามเณรผู้รับชีมีความละอายละลายก็เนยใสยในไฟแล้วโดยประการที่ข้าวสารและรำที่ตกไปในในใสนั้นจะไม่ถูกเจียวถวายเมื่อจะเปื่องการหุงต้มอมิตรให้พ้นไปย่อมควรตลอดเจดวัน ก็คือแยกเอาพวกกากต่างๆออกแล้วก็กรองให้เรียบร้อยทําเป็นเนยใสยควรตลอดเจ็ดวันโดยในก่อนเหมือนกันเพราะไม่มีแดดพริกตุกจึงไม่สามารถเอาไปตากแดดแล้วกรองเองได้สําเนียงจึงมาละลายในไฟแล้วกรองเจียวใหม่ถวายแก่พิกตุก น, นี่ก็เป็นวงเล็บอธิบายไว้ยุดติดเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเอาไปต่อในวันรุ่งขึ้นวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุ